ท่ <C oughs> านพระโคอโศกรามและลูกศิษย์ท่านอาจารย์แด น, นพร้อมกับลูกศิษย์มาขอธรรมะยอดของธรรมพระอาจารย์ตื้จะโคเก่าวว้เป็นพุทธบูช า, าทั่วประเทศไทยครับ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 ตัวสมาสมุท萨คตรทางสรังคชาอามิทำมังสระังคชาอามิสังางสรังคชามิถุกยามปีุทงสระังคชามิ ติยามปีธรรมังสระนังคัชาอาเมถูกติยามปีสร้างขังสระนังคาชาอาเมตาติยามปีผุดทางสระนังคาชาอาเมตาติยามปีธรรมังสระนังคาชาาเมตาติยามปีสร้างขังสระนังคาชาาเมเอ้ยตังพุทธนาซานันเตติเข้าลืมเข้า วะปะ้ะปะวะ่าลมตะไฟอะน้ำปะาปฐวีนี่ละลมหาพ่อหาแม่บูได้ ไฟหาพ่อหาแม่บรุร่ยเมื่อล้มเกิดขึ้นแล้วเกิดดวงไฟเรียกพระอาทิตย์ลอดขึ้นอาโปธาติลนับพปะทิพย์วิชาดินเท่าจอมก้อยต้นไม่น้อยเท่าเช่นขนแม่พระผู้ใดเจ้ายังไม่มีอาวุตีไม่ตั้งขเขาพระสมณ ไม่คือดินื้องแน้ำเห็นก้อนก บ, บมีไม่แต่อากาศกวักไม่ไม่มอาทั้ ง, งนะัญหาวาโยเจ้าถ้าท ร, รมาแจงวายโยเป็นภาษาจะปู่เจ้าตาพระธรรมคำจะสอนพุทธเจ้านี่ถ้าทำกับลมก็ดูเดียวกัน รวมผสมด้วยกันนี่ล่ตั้งเทนืนเข้มร้อยปีไม่ใหญ่แม่น้อยพระอาทิตย์ร้อยปีไม่ใหญ่แม่น้อยถ้าจันทร์ร้อยปีไม่ใหญ่แม่น้อยนั่นเขาสะตะบรุลพัญผ์บังจนพระอาทิตย์ออกมาได้ถ้าไม่มีเขาบางัง พระอาทิตย์มาไปตายเมื่อเบิกเมืม่อนี้ล่ะมีสองเ ท, ทือกสมโพธิไทยบุพพะที่สองไปก็มาไปก็มาอันนี้เราพระอาทิตย์ผู้ชายพระจันทร์แม่นิ่งแสงพระอาทิตย์สองดาวลับเกิดดาวขึ้นเต้นฟ้า นาทิพย์ข่อยเสียกพระจันทรหิหมอร์เกิดลูกเป็นเดาให้ลูกอย่างนี้สิชาไทยของเรานะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าอายุ60พระราชบุตรทงเก้าพระองค์จึงเบ็ดบุญพุทธ น, นั่นถ้ามาเอาขวอยเสี่หีก็เกิดมาได พระอาทิตย์สพระจันทร์จะออกปเป็นดาวนั่นนอกกว่านั้นอีกพระเจ้าไกเซอร์เมียเข้าได้เก้าคนผู้สายแปดรวมมืด400ร้อยคนจะมืดบุญนี่ล่ะให้รู้จักอย่างนี้วันเทศหมายพระอาทิตย์วันจันทร์หมายพระจันทร์วันอังคารลาหู สประจันวันพุทษแทนเดือนวันพรังธาตุไม้วันชุกมนุษย์วันเผ่าดีรษานั่นอันนี้พูดตามสัญญาลูกสัญญาธรรมนะ่าวันชุกตาวันจันหูอังคารดันโทษปากพาลังานแขนชุกเสีหลังเสาขากำนี่ เราทำอันนั้นว่าตามสุริยคติไม่ซักเกิดขึ้นไม่ไผ่เกิดขึ้นเท้าซักกูนมายาพอเท่าเกิดจากไม่ซักไม่ใช่เข้าหีแม่เนาะไม่ไผ่เกิดขึ้นย้ายก็เกิดจะไม่ไผ่นะหันนี้เกิดจะไม่ไผ่ อย่างพวกวันนีก้กัไม่โกงเกิดเป็นรวปไม่พอกุญญวิญญางนี้ล่ะนี่ละาซักโกเกิดขึ้นเช็ดเดือนออกจากต้นไม้สักเดินไปนี่เชือบปิ้วนเห็นกันคุนย้ายเหมือนกันนี่ละมาเห็นกันแล้วจะเป็นคู่คน ทัลนีพระพุทธเจ้าเรือพุทธธรรมตากําขวาพระพุทธเจ้าทำมังหูพระธรรมสร้างธรรมูดังพระสเลยมันเกิดจากต้นไม้เพนั้นทุกรงพุทธธรรมตากํามสายนี่พระพุทธเจ้าทุกยังเป็นมังหูกสํสายเป็นพระธรรมทุกเรียมงเปสร้างธรร จมูกก็ั้นสงสงตาที่เป็นพุทธังปากเป็นพุทเจ้าตาที่ยังเป็นสมองเลี้ยงเป็นพระธรรมตะที่มัในไดน้ไงตีไก่เกิดจากไม่สักนะ่ะนั่นคนยายเกิดจากไม่ไัยหีงไงยัอยงออกมาถ้าบาุราษเนี่ยมันไม่รู้นะมีแล้วนาะมันมามีมาจากต้นไม้คุ มักเกิดจากหินี่ไม่หวานนี่โบราณนะยี่สิบปีเป็นภาษาไทยภาษาลาวอะสาวปีเต็มสดรักกันชอบกันเหมือนนั่งทุกวันนี่แหละไว้เป็นผัวเป็นเมียกันเวลาว่าอะไรยึดถีการบิดสอนควายมันกันมัวมันกันอะ คนเหมือนกันอ่ะใหญ่แล้วก็ไม่เห็ดยกดตูดกันเป็นน่ะนี่ตาก็เหมือนกันอ่ะม่ได้สอนนะอันหนึ่งด้สอนนี่ล่ะเมื่อเบวยสุกแล้วลูกเกิดครูไปซวดออ้หนูเอ้ยหนูคล อ, อดออกมาแข็งแรงเลย คุณพ่อก็เลี้ยเอาลูกผู้ชายอย่างงัวนี่คุณแม่ก็เลี้ยเอาลูกผู้หญิงนั่นนี่ล่ะมี่อีบเปสลูอ้ายงัวอื่นงวนเลี้ยเอาอย่าเดียวแล้ล่ะลูกผู้ชายกับพ่อเลี้ยแม่ยิงก็แม่เลี้ยนั่นเปนขามเหมือนกันซัวยิงกระไซสลูกับยิงกระาซ ขาหิงกับไส้ท้อหิงกับไส้มาล้มหิงกับไส้มาเซ็งหิงกับไส้มาเมียมาหิงกับไา้มาแม่แพหิงกับไส้ลากกาไกหิงกับไสยวอกเลี้ยงกับไกไส้อจหมายิงกับไส้โอ น, นหมูนะลูกคนพ่อเซบสองคนนี่ไข่เสือกนะ ลูกคุณแม่เซตสองเีไหเนาะเยอกกันมาจนถึงชุกงวันนี้ใครจะเทศนีไม่มีหรอกนี่ลูกตาจากตั้งให้นี่แหละเวสวกู้กันห้าสั่วค น, นยังกินเด็ดอยู่กินข้าวกับกินเด็ดกินปลากินเด็ดมาถึงหกสั่วคนแล้วมีปัญญาจะกินข้าวก็กินไฟเอาไฟมก ปลากระดีเช่กนกรดีนะน่ะจะเก่ากินดิบอย่างบว้ควายตัวยานมัวครับมันกินดิบน่ะลูกมันเกิดง่ายเลยควายมาก น, นั่นอันนั้นกำเนิดเขากระดิมนี่ละเมื่อกินสุกแล้วลูกกระดูกอ่อนเมื่อลูกโดนเกิดนะแหงฤทธิ์พญาปัญญาสรอทธาเอาไม่ไผ่มาสาร จักตอกลายคััหลายสองลายสามเจริญขึ้นมัดส่วนคุณนายก็เหมือนกันนะเอาไฟมาซักสามลายคััหลายสองเจริญขึ้นจนเป็นหนาเป็นฟิลนี่มันเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่นึวงว์นะขันจะพูดยอดนะภาวิตปฏิแสนปีแต่มัดคนเวททพูกับแสนปี สามแสนเต็มไปลุ่มบดบนุลกาโกสันโชเต็มไปด้วยคนอุรคมกัจตจปะโคตมะนี่อย่างนี้ละแต่พุทธเจ้าที่เกิดก่อนนั้นนิพพานไปเม็ดหินเม็ดไฟในสีสมุทรชู้พระเจ้านิพพานไะไรนี่ละ่ะมันเป็นมาอย่างนี้ละถ้าี่สมัยกาล น, นั้น พุท่เจ้าของเราออกบวชซุมิีธรรกรีมีเซทพันห้าร้อยพระเจ้าชิตปังกรบางเกิดขึ้นมากราบไหวพระเจ้าชิตปักรนี่สามพระองค์นั่นพระเจ้าห้าก็มีหกก็มีเจ็ก็มีสองก็มีนั่นนี่ละ่ะ เราก็มาสร้างกุดนีน้ำบอ่อต่อสาลูพระเจ้าในบนพระพุทธเจ้าปังกอนขึ้นาพระพุทธเจ้าต่าหลังขึ้นว่าพันเตพรค ด, ดุรักษีาพระพุทธเจ้าลัีวาขเจ้าข้าพเลัวาขธเ้พเจ้าวข้าพระุทธเจ้าข้าพรเจ้าลักษีวายทธเจพระาัษวายขพุดเจ้าข้าพระเจ้าลักษีสวายาะทธ้ากุทีสบาพุทโกพทธเจ้ ข้าปฎถนายถึงที่คือเจ้าจะได้เต็มหรือ mm. พระ อ, องค์กรเฉยๆอยู่อีนายคนหนึ่งดำๆนั่นเขาดอกไม้มาถวายซึ่งพระราศีดอกบัวดอกเนื่องขอพระรศีถวายพระเจ้าดอกเนื่องขอถวายพระรศีท่านบกเกี่ยวกับเซยอยู่นะ เจ้าธิปังกรนฮัตสติฮัตสติแต่ว่าหัวนั่นหัวอะไรหัวขวัญฤาษีทาบาเอาดอกบัวนี่มันจะเป็นผูน้เจ้าแต่ในรับเอาดอกบัวดอกหนึ่งถวายพระเจ้าธิปกรดอกหนึ่งเนถวายพระเจ้าปังกรทํ า, าทนายว่าพวกโจรผมิไปภายหน้า เก้าอสกับจงจะได้เป็นผู้เสีเจ้าใส่โคจมะองค์หนึ่งนานักดีโอกดีใจฮานนี่เมื่อละศีตายไปเข้าหียนกงงึนปัญ่ะพวกโทฉมูมันบูรุักั น, นไปเข้าหนีนกงงึงเนยหียนกงงกนี่เมืาาม่อพระาชาเสีนมันบ่เนี่นั่น ตั้งโอเทนจางย่างจาองอ้าขุมเอกราษานกจ้ำอันนี้กะเมืองไทยนี่คะไปไว้เมืองแขกเนี่ยวัดพระเจ้าน้ำมง น, นั่นแหละเกิดนั้นไปเข้าหีนกยุงเสร็เมื่อเข้าหีนกยุงแล้วทายาเจ็ดของเมืองจับไปได้เขาจะไวหวเด่นนกยุงตัวนี้ข้าผู้ใดได้กินได้คำวันละหมือน เขาจับมาได้นีธรรมมนุษย์ศาสตร์ม า, า, มาจังรู้จักเอ้ยไม่ยากหรอกจิงไปซ่อกเอาไข่นกนุงมาให้ไก่ฟักตเตอตืนนกนุกงเตัวแม่นั่งเอาไปตั้งคันนี้เจ้าว่าคถ า, านกนงุงตัวนแม่ยาจานุสระเนียอันพิตรรรรัวผัวยาเชนุฟดลูกยาคันเอนั่นเมื่อนกนุงตัวแม่มาไปห้อง เมื่อท่านจะไปหาอาหารนามาโตโพธนังนามาโโพทญา น, นามาโโพธนังข้าต่อพระพธเจ้ามเมงคุณนามาโตโพธญาขา้พากับพระพุทญานงนงนั่นเมือ่อนกยุงตัวเมียหอกไ่ได้ตั้งบวงยัขานี่บ้วงยขาตายกุณั เขาจะฆ่าแก่กินลัถธอทำงานว่านกนุกง่งตัวนี้เป็นโพทิชัดจังไม่ปล่อยไปอันนี้วะจินมาเตรนสูตรวะโอเทนจ้าอย่างจ้าโกมาเอกาลาซาเงินนวลอเมืองไทยเลยสูตรไทยเลยลไปไหว้แขกคนนั่นปร่ทันคนขเขาเป็นนกนุ่งนะ่ะหกเชฟเราอชนะนั่นแต่เป็นสัตว์นีละ่ะ เรียกบริษัทภูทรธโมชาโคนตายจะนุงงแล้วเป็นนกทั้งหลายตั้งแต่แห้งเผือกมาเถ็นกาเผือกจนเป็นนกคุมไฟนก ค, คุมไฟทา่าตุนนุวันเกิดขึ้นมาแล้วไฟไม่ป่าพ่อแม่นีจังสุกกระสานเฮเลออตตับปะสัมปันนาสุกาธรรมมาฮิตาจันตุ สัพพุลิซารลเกเถวมาธรรมมาจุปเจริยสตัตยบาคามาตาปิตาพ่อหนีเมื่พราะสดอันนี้แล้วปากาศาธาจาพุ่ทมธม า, าเทวนาคังฮิสกาเทวดาทำน้ำฝนตกไฟจะดับไปเหตุนั้นเมื่อเป็นอรหันต์แล้วจึงเอาธาตุไว้ธาตุคมุมนี่หัวอกโลยขวาวกัมขวาเซิดสองกัมซ้ายซิดสองนี่ อันนี้จะมีเมืองไทยเลยนี่เมื่อได้สามภาษาแล้วคัสตะนัมมาจวักปุริมายากาปันนาคิลีสัมิงปะพเดมหากจะเตียชาปิตังพุทธะอุลังค์ที่เห่าสมามินาอมาไวเมื่อสามื่อสาชาติธนมชาติพ่ออกกำขวากระไส้นี่ลากพุทธมันเป็นอย่างนี้ ตายห้แล้วชัดสีขามีสามกระโดดตัดแต่หนูเผือกช่างนันนี่เขาโดนลูกกระแซนี่วางอุตรดิตกับพิษุโลกนี่ลวงตาไปเห็นเขาห้อยพปน่นี่ห้อย น, น, น, นล่พาไล่ขาขนาะเป็นชักเป็นนิบวรันชากเผือกชักกระฉันขนาดม่ใช่มีเมืองเขาเลยเมื่อไาย น, น, นี่ชัดบอมีขา เอียงเผือกปนุเผือกนกกฏเผือกเป็นนี่เรื่องอะไรเรื่องบม่มีพุโทโธธโมสังโฆมันเป็นกรรมของพระโพธิสัตว์คร้นี้เมื่อแกกล้ามาแล้วจังมาได้พระพุทธเจ้ากักกุสันโธโกนาคมกัตปะโคตมะจึงมาพูดบรลลัูได้ ธานะปรมีเวทชนตระนาควอนประสัตทานลูกทานเนี้ทานช้างเขาไล่หนีไปอยู่ป่าทานสาลีกันหาทานนางตายแล้วเกิดอีกศิลาปรมีจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจังทองเป็นนาเขือก ตายแล้วเกิดอีกเด็กข ม, มัะปนพมรอดเมื่อหลังกาไม่มีเมียตายแล้วเกิดอีกปัญญาปรามีมโหสถดอุเชมาพระมีเมียมีลูกสี่ยินสองใช่สองเวริ ย, ยาปนิไทยเงีย้ยวมีลูกดังมนุษย์นี่ละลูกสี่คนขันสีแกวใบได้เป็นพระเจ้าดิน ชาะจกปรมีกรุงสุโขทยัยอันนี้ก็แบบมีเมียอธิษฐานปรมีมั่งอ่านว่ามีเมียเมตตาปรมีม้อนหงสานมีเมียอุปเปขาตันีบิดาภักนี่หละหัวใจศาสนาทนให้จะพูดเอกพชากธะกเปนะมโนเสเอกตังพุทธศาสนาติ พระพุทธเจ้ากัสสปะทราบตารมีเจ็ดอาสมขายแสนมหากับเป็นอรหันต์แล้วนี่ผ่านใจไว้ศาสนา0 0ม0ปีศูญญาตบไม่มีพุทธศาสนานี่จะทำทมนั่นนะขอโทษทมที่ถือวันทิตก็วันทิตดีถือวันจันทร์จะวาเถียงกัน ความที่ถือทิดก็ด่าความที่ถือจันพรามถือจันด่าอาคารด่าพุทธด่าพระจนหลอกกมีชุวันนี่จังเป็นความคิดปวดกันมาหนะนัะ่นวันชิดบูดีวันจันดีอาคารบู ด, ดีดีพระชิด บ, บุริด่าแม่เขานาะมันหาด่าพระชิดนะนี่ด่ามันมีอาหารีดกข้ามหนึ่งสร้างแก้วขึ้นสู่พระาธรรมน่ะคิดว่าอะไนี่น สองคั้ฟังคำพีกว่าซาสามคั้มลงมุทาของกินสี่คั้มกปัจจินตักแดบห้าขั้มผีเวดล่าบงเอาหกขั้มเบิกไฟค่าเจ็ดคั้มคนท่าถึงต้นแปดคั้ความกลวนิมากเจ้าคั้ถูกเช่นน้ำสุดขั้มหาเนื้อความนี้ไม่ได้สิบเอ็ดคั้ที่ให้เกิดไปดี เสื้สองคั่ไม่ดีจักยอดเสื้สามคั่มเเวลาสุนผูเสื้สี่คั่มของชตูปุฆาเสื้ห้าคั่ถูกแม่มาหลวงเต้าเท่ตาก็ตามชักใสเพ้่อโมหานของขอนคนลักไน้บ้เสียมันเป็นมาอย่างนี้ละพาเชิดดวงเดียวนะเป็นเจ๊เชื่นะครับวันเชิ์ไปพุพัลก้มามวันจันก็พาเชิดนะ ค้าหนึ่งกาิเงากาบมาที่สองมันจันพราจันอะไรนะพรนะอาทิตย์เงากาบที่สามมันอาคารอาคารอะไรพราชิดเอาตาเราดูซิที่สี่บันพูดบน่อไมพระาชิดนี่ละข้าหนึ่งกอดทิดสองกอดทศสามกอดทิดสีก่กอทิอันนี้รักพูดการรักทำข้ามหนึ่งทิดสองสัตว์จันสามอาคารนั่นๆนี่ จันเขาไม่ใช่ผจญด้วอันอคารเขาไม่ใช่าคารอันนี้ล่ะจะ้ลือกันมาหลอกกันมาเน่ยจนทุกวันเนี่ยเปิดวันทฤหเป็นอย่างนั้นวันจันเป็นอย่างนั้นบม่เป็นอ่ะขอโทษถ้าเกิดวันทฤหัสกับตาหูด่างตาถ้าเป็นผู้ชายค่อยเสียกซึ่งไงถ้าไม่เห็นกับตาหูด่างตาหิ้วไหมชนิดละคว้างเก่าเน่ะ กูตัวมึงมึงตัวกูหลอกกันมาจนถึงวันอันนี้ละมันเป็นหลักหากินตาบดินฟ้าอากาศมันเป็นมาอย่างนี้พระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นกุงกุชินลายพันตีอายุยืนพระเจ้าจากากักรพรรดิเมตบุญแล้วลูกพระเจ้าโอกาลูกพระจักรพรรดิไซเซ่พระเจ้าโอกาการา มาตั้งปาหิมพาลมาตั้งกรุงเทวทหเกิดโทษพานขึ้นขอโทษล้มมอบบ้านเมี้ยงให้เมียน้อยแม่หลวงเครียดหนีไปตั้งเมืองใหม่เท่านั้นทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะท่านได้เมียสองอสางเอาล่ะไป็นลักเลิ่นเมียน้อย น, น, นี่ล่ะอันนี้มันเป็นมาถ้าพูดเดียวตา เลือกยังดังอย่างนั้นชอบเนี่ยน้อยมอบบ้านเมืองให้แน่น้อยแ ม, ม, ม, ม่หลวงเพลิใจหนีออกตุ้งเทวะไปตั้งกับบิลพัฒนนั่นกับบิลพัฒน์นี่ยพรทจิเจ้าของเราเสด็จสมบูรณ์พระสัตร์ ร, ร, รับไปราชสีแม่หลวงพักแม่ไปเล่าอาการที่ผัวเอาบ้านเมืองให้เน่น้อยพ ร, ร, ยระราชสีะทานให้จ้ะ พิม่าเนี่ยพัตตาเนี่ยัที่หนึ่งะสลาพัดที่สองก็นำบพัดที่สามถึงพาศัยนี่และอมาเนทันมานี่พัตตาเนี่นะัตตาหัวแจ๊นนะาขึ้นพัตตาเข้ากับพัตตาเส้นกับพัตตาพักกับพัตตาพัตตานี่าตาเห็นก่อน แต่ตาบไรไิเกินมันพัดลล่นเลยเอาลล่นกินได้ไเนี่ยนีมานี่พัดตานี่เพระาะว่าสังกษัสนีน่ะตาที่ใหญ่นี่ยเอาเสกกรรมิละพัดบบขอโทษตั้งแต่วงพระเจ้าอุกฤษเป็นโคกันแปดหมืนพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสายอื่นป้าผู้ลเพ่ยไอ่เอาน้องสาวเพ่อันแปดหมื่นมันเตินเหตุขึ้น ที่สาวใหญ่เป็นขี้ทุ่แล้วเอาไปะชื่งไว้ในป่าที่มาผ่า น, น, นไปโคบลุ่มฝัง่งนั้นมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเป็นชี้ทุ่หนีไปตายกลางสายต้นกระเบาเปที่อยู่พระสาพนมว่ากุลลอกุลอ์ไครมะกระเบ้ากระเบ้านั่นไปเกณฑมากระเบาะ้ า, เ, บาเลยหายกลางคืนมาเสือโคบไปจกไปนายนห้องเสือเสือ แล้เสียงคนมีเสียงต่นเมื่อเช้าก็ลงไปเป็โค้นนางก็เสือเสือไม่ใช่เสือหรอกฉันเป็นเจ้าโอ้ข้าเป็นพี่ธดโอ้เพื่อพี่ธดธุดไปอยู่ในกันจะเอามาเป็นผัวเป็นเมียกันตื่นเมื่อคือเป็นสองสามผองเมืองไปนั่นน่ะเกิดเป็นสามผองเมืองไปตั้งแต่นมานแปดหืนพระเจ้าอยู่หัวเสบผูกกันมาไม่มีศาสนานี่ล่ะ ดูไรจะฆ่าซักก็ฆ่าฆ่าควายก็ฆ่าฆ่างัวก็ฆ่ารุนเรี้ยวรุนแรงรับตันอย่ใช่น้อยนะตัรับมึงเม่น่าศาสนากว่าไหร่กันารั่งเศสฆ่าอังกฤษอังกฤษฆ่ากันเดีนน่ะยังปลอดภัยแต่ไทยเขาปานนเกือบจะบุรีไทยห้องอะไรอันแวกใ้กระไรนั่นอันนี้ถามพุบุตรรบถ้าเวลาเนี่บบุรีพุทตายเหี้ย เดี๋ยวนี้อาศัยพุทธนะบรบผู้ไดแตะไปแตะมาอันนี้แหละฆ่ากันเส้นน้นอยู่ท่านนี้เมื่อตอนมืดเอาเมื่อพระเจ้าจะลงมาเกิดนะครับธมมาปาลิซาช า, าเทวาข้ามหาพรมลงมาเกิดเมืองกัมพิชพ ใส่สื้อพระเจ้าสดทูธนะพมมาปโลหิตาเทวานางพมลงมาเกิดใส่สื้อพระเจ้าสีมหาวิญญมหาพมมาเทวาตัวพระองลงมาเกิดพ่อก็อพูดแม่ก็พูดพระองค์ก็พูออพดข้าวท้องแม่ ละบูฝนเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอดเดือนสิบสองเดือนอ้ายเาืยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนหเดือนหนั่นเสร็เดือนนั่นเมื่อเข้าทรองแม่นั่นนายสันลูกยายเป็นผู้ชายอุ้มสร้างเผือกคี่สร้างเผือกนั่ขัดสมาธิส่วนกันส่วนพระอรหันต์น่ะ เอาหน้าใช้กระดูกหลังของแม่ส่วนพุทธเจ้าคัตสมาธิช้อนกันเนี่ยเดือนฮกถึงวันพุธไปชนดอกไม้ไปคล อ, อดลูกให้พญามหาหมาดเอาผ้าปูมีดพระนางเจ้าก็สเสด็จออกตึงหน้าบัวลผ า, าพระร า, าุตร์เช็จออกเจิดเจ้าจริง าไทว่าพระอุเชนเดพระนครขีดนนจะมาเสื่อนะในขัมภีร์มหาตีฐานาปรมีอ น, นิสงฆ์ธรรมานเป็นเรื่องศตละเป็นศารที่หนึ่งศีปลปรมีอ น, นิสง์รักษาศีลปุริทัดเป็นศาสที่สองเนคมปาปรมมีพรมรอดที่สามปัญญาปรมีที่สี่วิริยะที่ห้าขันตีที่หก สัตยปรพัม ah ิทิเจตนี่เสด็จเด็ดเก้าตืนนั่นเป็นมาอย่างนี้เหรอเสด็จเจ็ดเก้าตืนอ่ะคุณนายตามยกมือขึ้นทามมาซาวนาการัวอายามผ่าท่านตาลูกยายบินได้ลูกกูได้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยก็หอนน่นเฮ้ยก็ ระนั่น น, น่นน่นเเสียงดังไปถึงก บ, บิลพัทพะเจ้าสุูกันให้อมาตมาอมาตมาสี่พันนางไม่ซื้มาแต่พระองค์มไม่ได้มาพยามหาหมาัก็อุ้มเอาพระโพธิสัตว์ขึ้นเกียนลิกนี้เมื่อวานนี่จะเก่าไปจะเกียนอ่เสดีมาตัวยังมาลรอพะจักรพริามาตัว เปลาใช่โยอย้มโคยชยงยโพธิมันเปะโมสิชยย่ชยท้ายอยินทขันนาชโยใชยโยนี่ความแห่พระโพธิสัตว์ขั้นไปถึงพระราชฎร์แล้วถ้าเจ้าทศนาก็อุ้มเอาลูกขึ้นได้ในอุคมัมมาเหสก็อุ้มเอาพระนม่เจ้าไปในอุคัม เช็ดมันตายโลกก็ตายรอชนากรตายตาก็ตายหูก็ตายหัวใาก็ตกใจคุณยายไม่แต ก, ยยแตกไปเป็นนางเครดาอยู่ฟ้านองสาวนางโคตรตมีเรื่ยงห้อยนางสีมหาปัญญาตายแล้ว พระเจ้าสุณนะเอานงางโคตมีเลี้ยงแล้วก็ได้ลกสามคนผซ้ชายหนึ่งแม่ยญิง 2, สองรักษอมาใส่สื่อเจ้าศิษตาศิษฐ์พุทธกาดาบทอลามโคตมาแล้วก็พระเจ้าสุดตัวไปวไ้พระรัศมีก็ใส่นามาเจ้าศิษฐาเจ้าศิษฐ า, า, า น, น, นี่รักษีให้พระนาม พ้ะฤาษีเป็นไหวข้าถามเป็นไหเอธรรมเตพูเทรัตตานังปณิฏังเอเตนาสาตินาสุวะทิหุนตุกาบลงเอธรรมเตรธรรมเมรัตานังปาิฏังเอเตนาสานาสุวทิหุนตุกาบลงที่สอง เอกธรรสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสัจจคุณทุศิษสามมาฮาปุริสารลัคนาสุภาเวนะอาศิตยานนภยัญชนะนุภาเวนะนาวโลกุสรัตธรรมาณุภาเวนะชาไมยหนุบโตอัศงุโตถวายพระพรบอภิษพระราชสมภารเจ้า พระราษฎรทร ะ, ะองค์เจ้านี่ออกหมวดเป็นลักสีโคตรเทเรนังเป็นพุระเจ้าหนึ่งเหมือนดีสองท่าเชิดมีดวงเดียวชายคนนี้ละจะเป็นพุระเจ้าชายผู้นั้นชายเลยแหลมฝนตกในอากาาที่ในกระสอบย่อมไหลลงสมดุดที่สุด ยิ้งชายฉายจะมาเป็นทิชของท่านแม่ยิ้งก็จะมาบวชด้วย้ายบวชได้อุ้ยท่ามปิเมื่อท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วจะเทศนาพระธรรมพระปรมาุิธบัญญาอิ้ยท่ามติสร้างเคือสาวกแปดเิตมีลิขาธดาโงภาพถวายพระพรบอภิสลาสุขุภัม์ มหาปุริสะฝาติมเป็นกงจับฝาบือเป็นแบ็กบวชอาศัยปัญญาหนุพยัญชนะพเมนะเมื่อท่างเป็นเด็กน้อ ย, ย, ออยจะเรียนพนยัญชนะอินเดียให้สำเนาอักษรถาดเมื่อบวชแล้วจะเทวนาระเขพนพยัญชนะใส้ด้วยเทวงเล่นอักษรสัพ กอไก่แก้วขั้นเร้วหมวนใจกอไก่ผู้แดงนอนซาแขงอยู่บนต้นไม้กอไก่ดำให้ถือคำข้าวซอกกอไก่เหลืองเชียงเมืองข้าวซอกคอไข่ไก่ผู้ใหญ่เข้ากินขอขวดแหล้าขอขวดขอไข่ไก่ผู้ใหญ่เข้ากิน ขอไข่ขาวนั่งสาวไทยเขาสอบขอขวดเตา่าคนเต่าเต่ากินอหไรละเม่า ข, อข้อควายน้ำชอบการแม่งแท่ข้อละครั้งตัวดำเชงาง้องูเหากินเต่ากินปาน่าง้องูสากินกอกกินเหนี้ยบาศรษเศษ มัตะโกตจะอยู่ในขาสรัางได้เนี่ยไม่ห้างก็ะดะสร้างสามเสือสาวแม่ไม้ควาสามตัวคนคาสาวในห้างสามสร้างจันด้อมห้างดอกปนานสาวห้อยกรบะปานห้างดอกแกว้แวแม่จะาหาผู้ดีสาวสีสะใจค้ามหาล้มาจังกระวั้า เนี่ยพูดยิ่งยิ่งพูดใช้กับเป็นมาพราอินทร์ฟ้ามาเป็นโลกายถ้าหักธรรมทั้งหลายเกิดเป็นยาชนั้นเมรัฐธรมาา ร, ร, ฐธรมะณวาโรอุตตระธรรนะภานะจะเทศธรรมกัปการสามั ญ, ญอินมุตโตอัตมาภาพเอิดเกินสมัยอัศว์อัสู์นัำศรศกเสียดายเนาะ มนุษย์เกิดไม่ชาตนาของึ้นจะได้ทำกประการมีละถวายพระพรบอกที่พระาราชศาสนาแต่พระองค์ก็นอนอยู่เพราะเป็นทั่าะเล็กเดือนทุกเที่ยงวันพุทธแรกดาขวัญอัญเชิญไปมาไปไว้ที่ตุนในโพธิเงาไหวทั้งหลายบ่ายเงาไว้มาไว้ที่ไว้พุิบไม่บ่ายนี่โปกรมก็วไหว พัฒนเล็กกเรื่องใหญ่ขึ้นทุกท well ีทุกเดือนทุกวันแต่เรียนิษฐ์ศาติษอาจารย์มึงฆ่ามือหน้าไมให้ดิษฐ์ศาสตรบ้นนะดิษฐ์ศาสตร์ยังไงเห็ดเลยเฟรดเลยเฟรดหัวเห็ดเยอะเลยบ้างนั่นดิษฐศาสตร์สอนลดส่วนอเมริกาไม่กระเทือ วิชาที่สามไปแทนมาแทนฝลังเศวิาที่สโซเวียตัตวลีดเียนวิศาที่ห้าอังกฤษนิริตวิชาที่หกเชียงคเ็วิศาที่เจ็อาตโตโยนีปมนั่นวิศาปัจจุบนนี่ละกไปสูนคร อาเพีเษกลางลาทาตานังให้ปุถุพเจ้าดูหัวอานิสง์ท่า น, นะบาลามีท่านสาลุยได้อมาตัดหมืนสี่พนพระองค์อานิสงฆ์ท่านลูกสาวน้านตันหาออกบวชได้นา่งที่คุณี้สามแสนสิบล้นอานินนสง์ท่านอีหนายมาที่ได้หกหืนสี่พันนนี่อานิสงฆ์เป็นอย่างนั้น ยี่สิบบาทตีได้ลูกคนหนึ่งวุดเพื่อฆาถ้ำกรรมฐานบันเปรีขึ้นนล้วใต้ไส้รอดใต้่อนเจ็บแทนขาไส่กัะดิ่งแบบป้า ก, กุ๊กนี่ใช่เช่นไงไส้กระเเสแ บ, บป้ากุกลาวไส่กระมือ บ, บป้ารุ๊กนี่ไก่เห็นข้าวสานไก่ไม่ตินข้าวสารขยะเงาเราเห็นเช้าไม่พูดกูโง่ พุทแล้วเป็นพุทธเป็นพันฐานะมันมีเป็นพุทธกิจกใจนะเสื่อละเป็นพุทธกิจกใจนี่ล่ะจึงไปเห็นคุณนายนอนอยู่กับลูกลาหูลาหูหนั่นลาคือพระจันทรลาหูคือนอลูกก็ลาลาหูน่ะอแอ๊ั เป็นเข้าอยู่กันนแต่หาลูกนี่ตะว่าล่าหูล่านหูพระเตี้บมีพระจันอยู่พ่อล่างหูเข้ากับสมองแท็กเงาะเป็นใ้าอยู่พ่อก็ไปแม่ก็ไปนี่ล่างหูล่าหูเช็ดวันเมือนกันนี่นะฮะนั่นมันลอกกันน่ะนี่ละซาบวาทิบายนงไม่นึงไปได้มันจะไร้รองลงอ่ะเนี่ยไปดูดังมหิสีหกหมื่นสี่พันนา นอนที่นั่งออกว่าจาวะตันจากรคันทามรานาอนุสติคันห้าเนาะนั่งก็งามเดินก็งามยิ้มแย่มแจนใสเห็นอะไรก็ถูกใจถึงนั่งเมื่อนอนหลับแล้วหาความสวยคงงามไม่ได้ค่ายข่ายหิย้วน้ำลายเต็มปากน้ำหมากเต็มคอเตก้าก็กตาเป็นงง เอตาเท่าเกดเตาเหมือนเคแลปันเนา่าผีตายน้ำลายเต้นปากเตาเืห์ีคตาขาดเคขั ด, ขดช้า น, นครับเอามาแล้วนะนายชันนอามามาแล้วเคมากแก้วไปเห็นแม่น้ำเงินสลาป้าตุษาดูดาบสีกะไทยว่าข้าพระเจ้าจะได้เป็นผู้ดเจ้าโยงผมขึ้นไป พระอินาทาราเอาดอกเบญมาลับไปไว้ใส่สุชาติเกศแก้วกุลามนี่แหละเมื่อพระองค์พานแล้วพระอินาทาราเอาเขี้ยวกำขวาไปไว้กำซ้ายอยู่เมืองหลังกาส์กำขวาอยู่ชาติเกศแก้วนี่ละศาสนาเอาแมา่มามากับตายกันทานสามีเตรยเอา เชีย่ยกบาาไปได้ในวันไปนียละบรรจารยคขีและขีสห้ามาปัจจุญาณตัวว่าจึงเข้าอยู่บทเป็นผู้ดิเจ้าไปคมเหงคันห้าสู่ชิกะวันความใจบางตัดจึงเกาคาถาก็ะสาโลกอาเคิตวาอุธากาตวา เปซาตตัวกุมพันโดวาอุมพันเดวายักขณวาตปลเป็นภาษาไทยอะอาคีไฟข้ายละพ่มเพิ่มเพิไกลเพิ่นนั่นอคกีแต่ไฟลูกกอไฟตากอไฟหูกอไฟดักรกอไฟเราเติดจากธาตุไฟคุณตาคุณรายหนอนั่นลูกกัเต้าปกน้ำลูกกอน้ำตากอน้ำ แล้วก็สิ น, น้ำหีน้ำควายนะพนะน้ำเชื่อโบราไม่เกิจากหิจ่จากควายนะนี่ละ่ะเปรนาศาลเจ้าตว่าพ่อก็ผีแม่เกาผีชาพ่อบวชแม่บวชไม่เกิดโดดเกิดเขาเวลานี่ยายมาบวชนี่ละ่ะกุมพันดาวางกุมพันเดวาัากโคนวาน ที่หนึ่งหัวกบอที่สองหางไถ ท, ที่สามข่าชือมาฆ่าชื่อห้ากเกี่ยวเจ้านายกับชือนองอุื่อเห่อะนักโคนอคอมันเหว่เมื่อจะตายไก่หลายพันปานหลาย ล, ยล้านถ้าอง้งกินเที่ยวหาอาหารรัชื่อห้าบ่าว่าชื่อชาติละความเพียรเรื่องหาอาหารเป็นพวกละโม เทศกระบวนฟันเพราะเป็นโลกีนิษฐ์สมเสียงกันไปมาแต่กันแักเชื่อสหาหนูไปอยู่เมืองพราณาสีพระองค์ก็เดินตามแ น, น่น้ำเดรัลทล า, ลาต้นไม้จะเกิดนั่นพ้าองค์ุงจากสวรรค์ต้นไม้ก็เกิดเป็นพระสักธรรมะไม่ยอมพระสารแฝดไม่ประแปดไม่อุ้มทู ภาษาเช็ใหม่ไม่ถูยภาษาไทยไม่ไทยภาษาลาวไม่โพเท่นะไม่นั่นเกิดขึ้นแขกที่ถือถีอถือสามเอาขวายตะบูซาเอาแพะตะบูซาเอาเต๊กตะบูซา่งแขกที่ถือไม้ทะยุนทะมเข้าต้มเข้าหนมไปบูช า, านางสู้สระลูกสาวเสดถือทํำอาหารเข้าสี่สิเ ก, ก้าก้อน ไปบูชาจนไม่ผุดขึ้นรัตนังโหติเจงเห็นพระสิทธาพรมังมานาโรโหมิข้าเดียที่อ้ายฤทายท่านเป็นอะไรยาตวหังทีนิ้น้องสาวหรือคุณยายหาตมาไม่ใช่พระอินทร์เจ้าสิษถะลูกพระเจ้าสุดนะ ญาณีครูมาขอเข้าเคส น, นั่นเรื่ยเรื่อยนบาตรนั่นขอเข้าเคนสนางซุกดาถวายเข้าสี่สุขก้อนพระองค์งก็จัดตโลทำทัท้งสี่ส ก, กานจึงได้ตามความปรารถนาอยากได้ลูกสี่คนผู้ชายสองในยิงสองจึงได้เสดสามือผู้ดีจึงได้ เพื่อนนันชิจด่ากันเลตามคำพัถนา้ขาขาบรยิแขกงถิ่นขาอาหารปลาปลาเจยมาขาปลาเจยวชนะปลาเจยวนั้นมาตปลเป็นภาษาไทยอาหารทารั้งหลายเป็นสวมนมุษย์ปลาถูตูเข้มข้าวหม้ต้ไก่ปลาข้าวใหญ่ถกควา ย, ายปลาครีูใหญ่สดซา มือข้าหมูมั น, ส, ส, น, ส, นสันเขลาสุกัสโตลูกขังสุกัสโตเอ็นซิยับชิโยอนชิตาก็พุทธหูก็พุลู่รังก็พุทาก็พกาก็ใจน่เป็นผลิตารนาั่นลจะเริ่ฌานที่หนึ่งสดามาดาัคสุรผลลูเอ็ ตัสองสกิลมาคาผลรูยเองอนาคาอลหันตายอุปกรณ์ดอกบัวสิดอกดอกหนึ่งโสดาดอกสองสกิลสกาดอกสามอนาคาดอกสี่อัลลฮันก็ดอกเดียววะว่าทำไรเชื่ออะไรนั่นเป็น อ, อย่างนี้ว่าดอกบัวพิ่แล้วเพิ่งจกน้นเล้วเมืขันไปในผ่านได้ ดอกบัวประทานพจนจนอยู่ในอาหารเตาอาหารตออาเตา อ, อ, อะไรเตาลังโขนน่ะตายในเมืองน่านเข้าหี้มน่นน่ะตายเมืองเข้าหีนอนน่ะมันออกมาได้ไ่ะมันจะมีพโพโถ่่ะไม่ใชเข้าจหี้เขาน่ะมันเป็นอย่างนี้ล่ะบชดานะแสดงให้รู้นะนี่่ถ้าบ่ฟอกใจบ่ได้บ่รักนี่แล้จะฟอกใจของเรา โพธทโถโพโถน่ะพ้นแล้วทราบความเกิดสร้างหน่อนี้ละคราวนี้เมื่อเวล า, สาเสียงแวกอะออกชานมาสวรรค์หกพรหมเสโอหกอสวรรค์มีหกชั้นพรหมเสหกถ้ามาได้นิทพานได้สวรรค์หกนี่ก็นตรงนรก เราจะเป็นเจ้าเทสได้ถ้ามหาพม์ะพมมาจะรูกาธิประตูห้มปฏิการเมลีเทเสตโดยกำังขอสคกตมะจนเทศทมถ้าพระโอไม่เทศแล้วญาติโยมขวงญปุงเป็นญาติเป็ น, าปนมารพุทธิสขะเพราะว่าทำงานกรไม่ขอบงเสือเอ้ยมหาพม์พระชาคตจะเทศอยู่ส5ห้าปีจะนิ่ผ่านไป บังหยัดได้ถ้ามหาพรหมกลืนไปพระองลุกจากซิ้งแล้เห็นเจ้ารัชสังฆาในเมืองพราณาสีจะเป็นอรหันต์าไปเมืองพราณสีเอวามเมสุตังเอกังสมยังพระว า, า, านาราณเซนยังรีหะฤทธิ์เสือปัตเมเคตเมยน ไ, ไปเชิงแล้วรัชยสังฆาล้างเตียบ หาว่าพระศรีธละความเพียรไม่กลับหงไอ้เมื่อพระองค์ก็ริญเรา ล, ลัทธิสหขยอมปัญจวัคคนี้ลัทธสหญาเพงเราถ้าเพียงเราจะไม่ใชจะตายข้าวิอยู่ดีกะนั่นจะไม่ใช่จนะจะเพียงนะถ้าเพีงก็ไม่ใช วันนันยาว์เยาว์สิเสิข้ามา้าวทิ้งข้ามข้าวทิ ง, งะนะ ว, วันฟั ง, งสะสิพธรรมราณังคาสามิตากรมควาเป็นพูทีเจ้านี่ยธัรมสราณังคาซาิภูกรรควาเป็นผาธรรมสร้างคาซามิตากรควาประสงค์นั่น เทิดยมพิพทังตากรรมไสเป็นพระพูตเจ้าเจ้าเทิดายมปิธมมังค้านิหูกรรมไสเป็นพระธรรมเทวายมปิทังคังจามุกําร้ไสสงโพนพระเจ้าพ่อสามพระจาแม่สามนั่งสามนะลักษนั่นตาเทิงายมพิุทธังตาลักษณ์นั่งหามเทวดาเจ้า ต, ต้งตัวอย่างตัวเสบียงลืมใเป็นมาเสรอตั้ตัวอยไปลืมใจในกาเดินวเขาเมื่อจบแล้วจะเป็นอะไหันนี่ภาสุาาดาบุตรโพธิ์โตเป็นมากสดดาผลพโพธิ์เทนิญาบคุคคลเกิจดจากโพธโทถ้าส า, ากิมบุตทำโมเป็นมากสกิสคาผลเทมโทมกนิ ญ, ญาบคุคคลเกิดจาทำ อนาขามักสร้างครัปนหมักอนาขาพ้นสมุนอยุบุคคลก็จะสร้างครอรหันตามักรูปขาเป็นมักอรหันตาผ้นรปขาตอยุบุคคลก็จะรปรขาลัเจ้าห้าได้เป็นพระอรหันต์เจ้าาพระองค์สำนักเพี่อชด่อว่าโะอร้าะพระโซรละนี่ะบอกเป็นฝ เจ็โในขาดซับเจิบก็เป็นผ่าโซดาเจ็บตานปันาเจ็บไม่รตตโโมักษาเจิตก็เป็นภา่าโซดาเจิตออกบวชไม่ซี้หี้เจิตก็เป็นโสดาค่ะไม่ยากอะไรนะเจ็บโดาไม่ใช่เจ็บในขาดซับเจิบเป็นผ่าโดาไม่รักษาผ่าโซดาออกบวชไม่เยอะหิ้งก็เป็นโสดาไม่คิดต้ก็เป็นโสดา ไม่เท่เท่าเสดาะยังเรียกเีตุไม่ใช่นะมันเป็นปาศกเสกานั่นเพราะนั้นแหละแข่งแต่เสดระนั่นเป็นอันลรหันเราเอาเสดาะมขวางอะไรเนะนี่ยแต่คำพูดไปตามตัณหาความเสียใจมันเพื่อ ม, มาหาเหตุผลเออเห้ยเทโขได้ฟังพุทโธเป็นอะไรเนี่ยว่าเธอทั้งห้าพระ อ, องค์เนี่ยจงสอนปาศกเสกากั น, านที ขาหน้าปรัมีิจดสอนเรื่องธรรมทานศีละปรัมมีสอนรักษาศีลห้ากระถาคตกตระเนื้อสรรพว่าละห้อไปเอวามเณงสุตังเอกังสมายังรักวาลาสักาเฮเอนลรวานเนราลาทะปนิวัติเตนะคู่ปนาสมเงย สมัยนั้นทูิษยเจ้าจะได้ไปเมืองราชสคือ์ไปถึงที่นั่นแล้วรักสือสามถืองง้อมเกิดง้อมพร่อมเมียดวยกันออกภาวนาเ ส, สีงโอรลกษปะริขจากษัะริ์ศีษากษัะริ์พร้โอระดูสืนั่นพออระประสั์เด็เถิดพระาอรลกษปะกับตาเสี5ห0ารูสาไฟว่าเธยทำอย่างไร ยังเก่าไว้บูชาไฟไปสวรรค์อดีล้ไฟเป็นของร้อนดับไฟไปดิพานเป็นของเย็นโอ้ข้าบ่รู้อะอย่างนั้นเธอจะรับนี่ผู้ถังสาราาานัง้าซามิเอาใจรับเอาผาพูทศเจ้าธรรมบังสังคาซามิเอาใจรับเอาผาธรรม สรงขังเจริญประสงผู้ที่ยังเป็นผูท่านรับพาพุทธผู้ที่ยังปรับประสามผู้ที่ยัประสงค์ต่ที่ยังปูท่านตัที่ยังเก่าก่าเขาให้เเวลมืนี้ไม่ข่าสัตว์ีได้ที่าเวลมืนี้ไม่รักทรัพย์หนีได้ที่พาน เวลาม่ไ้ออกบทไม่เย็ดหีนะคะเนีก็ได้พพานเน่ยเวลาไมีได้คิดวันทพ่ผ่านกี่พายนาาเป็นอารพันห้าร้อองค์ห้าร้อยโทนั่นตปขยาสตาอีกนั่นพระองค์ก็ให้สิชายใหญ่สอน่ขยากระสตากับมหาเอ้าที้เด็กนี่หันหล้วน้อกจะรับิน พอทางเอาใจหลับเอาผ่าผู้ทาเจ้าทำมังส่งคัญอย่างพี่ไอนะ้น่ะเวรมณีใบกระสับนินพพานเวลมณีบกระศับนิพพานเวรมณีทอใจจากฮีเม่นน่ะนิ่ผานอ่ะนั่นเข้าวัดไปสึวเล่าหาใจฮีไม่จะได้นิพพานกันอีนั่นเป็นอย่างนั้นอีนี่เป็นอย่างนี้นนนนนนนตปหัวใจมัน ไอ้เร่นเข้าหินทออใจเอาจังเหกเปนิพานอะเนื่ยธรรมะเรื่อมะขสาวเร่อไปหายนั่นนี่ดยวไม่ได้จะเก็ดไปนิพ่าไเลนุ่งผ้าเหลืองเอาไขาเ่เรื่องข้าวหินาบันตักไข่ออกอะปัญญาในเรื่อเราไป็นค่คนโง่ไงนี่ล่ได้พระอรหันห้าร้อยยังเล็ขยาคสตะโพธิธรรมรับเอาพาพธ ทำมันสว่างยากเหลือขนาดพอทางรับเอาผ่าผู้ท้าเจ้าทำมังรับประทานคำประสงค์ยาดเหลือขนาเดเรื่องมันนี่นะน้องไม่ขมัดสนนิมีิทานอยู่ที่ใจนะเรื่อมันี่ไม่รักทรัพย์นิมิทานอยู่ใจเรื่องมันีอย่าติดหีห้งหอยนิทานอยู่ที่ใจเรื่องมันี่อย่าิด โ, <ร>โต๊ะนิพนกินเรล้าในี่ ได้เป็นอัลฮัมพันหน้าร้เหตุนี่ล่ะมันได้เพราได้พอาะเราเสียมาบวชแเคียดไปใจเลอะห่าเฮียหมดมันไปกับใจหัวมันกัดมันเครียดดีเขากัาบัดมันเครียดบุรีปล่อยให้มันไปเห็นคลายเทีกควายเห็นหมัวที่ยงหมัวนั่นต้องด่ามันก็ฮักครอมันกัดโทษโทษหนึ่งว่าผสูงศักดิไปดิบ้านกับเอาล่ะ อีนายคนนี้งามอย่างนด้นนายคืออย่างนี้เฮ้ยเพราะใจเราเองอ่ะปะด่าเขาไม่ได้ที่เหนอของเราเองหายอดต้งฆ่าเราใครจะมาฆ่าเราเราลักเราคุ้นช่างกระลุ่นนี่แหละว่าทาใจอุปสารคเราต้องด่าเราทรมานเราเช็ ด, ดีกับเราคิดให้เราจะไ่ให้คนโสดเราคิดนักสาวใครจะไปเรือกคำเผาหนาไม่เมืออย่างนี้ละ ไอ้ใจลู้ใจเห็นเด้เป็นอรหันทรนห้าร้อเอดกระโ่อม้าไปเหมือนว่าทะลุไเปเฉ่ง่าตามไปนั่งที่นั่นพระเจ้าปัดพินิษสารลูกพร้อมกับงบทั้งหลายเชิดสองอาสงไขทา่านยิงแฟนไฟมาเฝ้าสงสัยว่าอาจารย์ของเราเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระศิาษย เวลากระสปากรดาบไหวพระเจ้าพุทสารก็รู้ว่าอาจารย์ของเราเป็นศิษย์พระโคดจมาสุนุเจ้าจึงยกมือขึ้นห้างพุทธันจะธรรมมันจะทัจ้จะพวกข้าทั้งหลายทั้งยิงทั้งทายถึงพระพุทธธรรมประสงค์อัศว์ทักเก ป, ปนุปเปตังตั้งต่วันนี้ต่อไปข้าจะสมบพุทธประสงค์ขอพุทธเจ้า จงเชิญต่าวชิญข้าพระเจ้าเป็นญาติโยมค้ามสู่ศาสนาอาหารธรรมโออาหารไทยในเข้าน้ำโพธนาศาสน า, าอาหารไทยนอกผ้าหุมผ้านุ่มผมเทสัตยสัญญาใก่ไขาจ่จงเห็นตาใก่ข้าพระเจ้าพอรับแล้วพอรู้ก็ให้เล้หน้าโม่ก็องพูดได้โยม ผู้ทางสารนังขทามิเอาใจรับอภาพุท้าเจ้าธรมมังสารนังขจามิเอาใจรับอภาธรรมสร้างครังกษามิเอาใจรับอภารทรงโทษติยมปผูุท่านเอาใจรับอภาพุู้เจ้าโทษติยมีธรรมังเอาใจรับอภารธรรม าตาตยสังจจระสงค์ตาตยมตุุทังเอาใจรับอาผาภูตเจ้าตาตยมตุทมังเอาสลรพระธรรมตตุยมตระสงค์เวรละมณีไม่ขันี้คือนิพพานน่ยั่นเวรละมณีไม่หลักทรันี้ก็อเป็นนิพพานอะเวรมณีออกบวจะเส่ยหีมันเหมน นี่ก็เป็นพานเลยวันละมันจะขีตัว น, นี่ผานกิน น, น้ำผานนะหลักดาวหักฟันนะั่นใจฉันเป็นอาหารนละยแต่ต้นเขาเสื่อหวยของเก่าแล้วกันชะุดช่องอาสองไข่และตากอ า, อ ง, ไนะอาองไข่เสื่ออาสงยเท่าแปรธาลาแต่าอาสองไข่เมทัยังใสาหน่อยจ้ะวะภาโสดาม พูโทรตัวมากโทราพนพูดินอรเยบุคคลเกิดจะพูดโทรเข้าใจของเราฟาสากมมักทำโมตวมากสักสัคาพนทำเป็ น, นอนนเรเงยบุคคลเกิดจะทำโมเข้าใจของเราฟาน า, า, นานข่ามักสร้างคนตัวมากอนาขตพลสร้างคนอะไรเงี้ยบุคคลเกิดจะสร้างคนอหังาตามัากอุติขับมาก อหรหันตะผมขันผมเนียโลกเวทนาสัญญาสา ข, ขายิ่งยานเอ็งนมันก็เป็นเนย่าง้อยู่แล้วหีก็เป็นหีอยู่แล้วโลขขว ก, ก, เ, กเป็นสาขาผู้ชาก็ควายเสียกอยู่แล้วเต้นก็ไดดอกนั่นใจนั่นเปลี่ยนได้ใจเป็นพระอหรหันต์ขันก็เป็นหีมหมายจะตายพระอรหันต์นะ ไ ม, ามา่เห่บ่มีบ่มาเห่เหม็นก็บของเก่าเห่ไม่อของเก่าไข้คเครียดก็บของเก่า ม, ามานันเติมก็ได้ตาก็บของเก่านะ